แห่งสากลโลกในการสร้างมนุษย์ในรูปแบบที่สวยงามยิ่งบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงความยุติธรรมของอัลลอฮ์ด้วยการตอบแทนแก่บรรดาผู้ศรัทธาและลงทวษพวกปฏิเสธศรัทธาในการนี้เป็นการยืนยันถึงการตอบแทนและการฟื้นคืนชีพอีกด้วยด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ين ين ขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอกและด้วยภูเขาตูรซีนายและด้วยเมืองที่ปลอดภัยนี้ลด้วยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง แล้วเราได้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่ง ال นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายโดยที่พวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด